จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้ประวัตหร2 5ย5เป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมทมที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้จเจริญให้มากให้ปฏิบัติให้มากและส่งแสดงว่าเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือสติทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้จะเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าของเสือสิงกระทิงแรดก็จะไม่ใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้จะครอบรอยเท้าของสัตว์อื่นๆทั้งหมดชั้นใด สติก็เปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างคือมีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่กว่าทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธรรมอันใดก็ตามจะต้องมีสติเป็นผู้นําเสียก่อนทำอื่นๆถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพน้นทำเหล่านี้รุ่นต้องมีสติเป็นผู้นําก่อน ดังนั้นยังไม่มีธรรมใดที่จะมีความสำคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วจะทำอย่างอื่นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างคนที่เสียสตินี้จะไม่รู้จากผิดถูกดีชั่วจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คนที่ไม่มีสติที่เราเรียกว่าคนบ้าก็ต้องอยู่ในต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้อื่นของคนที่มีสติ ต้องคอยเลี้ยงเขาต้องอาบน้ำให้เขาต้องดูแลเขาเหมือนกับเป็นเด็กทารกเพราะว่าเขาไม่มีสติเขาไม่มีความสามารถที่จะทาอะไรได้ถ้าปราศจากสติแล้วคุณทำคุณธรรมความดีทั้งหลายย่อมไม่สามารถที่จะทำได้ดังนั้นจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับสติเป็นอย่างยิ่งควรจะเจริญสติอยู่ทุกเมื่อทุกกรณี ดังในพระบาลีที่ทรงแสดงไว้ว่าสติมีความสำคัญในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทำอะไรก็ดีล้วนต้องมีสติเป็นผู้กากับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้นำถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการกระทาจะไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่างเวลาคนที่เสพสุรายยาเมาคนนั้นเขาก็ขาดสติเขาไม่มีสติควบคุม การความคิดการพูดการกระทําของเขาดังนั้นการพูดการความคิดการพูดและการกระทํงเขาจึงไปในทิศทางที่ไม่สวยงามไม่เรียบร้อยเป็นไปในในการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้ามีสติแล้วจะมีความยับยัง้งช่างตวงคิดดูก่อนว่าควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรหรือไม่สิ่งที่คิดอยู่นี้ เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ระงับความคิดนั้นเสียถ้าระงับความคิดนั้นได้การที่จะต้องไปกระทําหรือไปพูดตามความคิดนั้นก็หมดไปอย่างเวลาที่คิดว่าโกรธคนอื่นแล้วจะต้องไปทุบตีเขาไปด่าว่าเขาแต่ถ้ามีสติเราเลือกรู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทาเพราะเป็นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และกับตัวเองถ้าเป็นเช่นนั้น ก, ก็ระงับความคิดนั้นเสียเมื่อความคิดนั้นถูกระงับไปแล้วก็ไม่มีตัวที่จะสั่งการไปสู่ที่สู่ที่การกระทำของของวาจาและของกายก็เลยไม่ต้องก็เลยไม่มีการพูดจาด่าว่าคนอื่นด้วยด้วยคำพูดต่างๆนาน า, นาที่ไม่น่าฟังเช่นคาพรุศวา่าเป็นต้นก็จะไม่ออกมาจากปาก ของผู้ที่มีสติการที่จะไปทุบตีไปทะเลาะไปมีเรื่องมีราวทำร้ายร่างกายของกันและกันย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมีสติระงับดับระงับดับที่ต้นเหตุก็คือที่ใจใจเป็นผู้คิดถ้ามีสติดูอยู่ที่ใจอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ดีก็ส่งเสริมให้เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างวันนี้ญาติโยมก็คิดกันว่าวันนี้จะมาทําบุญกันเพราะวันนี้เป็นวันพระจะมาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลถวายทานฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เป็นความคิดที่ดีควรจะส่งเสริมให้คิดอยู่บ่อยๆให้คิดอยู่แต่เรื่องเหล่านี้เมื่อคิดอยู่บ่อยๆแล้วก็จะไม่หลงลืม แล้วก็จะนาไปสู่การกระทําและการพูดที่ดีต่อไปเมื่อได้ทําสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีผลที่จะตามมาก็คือความสุขความเจริญตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีออกมาเพ่นพ่านอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกคำคิดที่ไม่ดีนี้ส่งไปสู่ที่การกระทําทางวาจาและทางกายทําให้ไปพูดสิ่งที่ไม่ควรที่จะพูด เช่นพูดปดพูดคำพูดลสวาพูดพูดพูดเพอเจอ้พูดแบบส่ อ, สอเสียดอย่างนี้เป็นต้นเมื่อพูดไปแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาเกิดการทะเลาะบอกแวงกันเกิดการลงไม้ลงมือกันในที่สุดถ้าไม่รู้จักยับยัง้งก็จะนำไปสู่การฆ่ากันและในที่สุดก็ต้องถูก เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับข้าคุกข้าตารางจับลงโทษถ้าโทษหนักก็ต้องถึงกับประหารชีวิตเลยสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่ไม่มีสติยับยั้งนั่นเองถ้ามีสติคอยดูความคิดของใจแล้วก็จะยับยั้งได้ถ้ารู้ว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีออกมาจากอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นออกมาจากความโกรธก็ต้องระงับเสีย ไม่ว่าเราจะพูดหรือจะกระทำอะไรในเวลาเราโกรธถึงแม้ว่าเราจะถูกอย่างไรก็ตามก็ไม่ถูกอยู่นั่นแหละเพราะความโกรธนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมที่จะนำไปสู่คาพูดที่เป็นบาปการกระทำที่เป็นบาปดังนั้นเวลามีความโกรธควรจะระงับความโกรธนั้นให้หมดไปเสียก่อนให้จิตใจกลับมาเป็นปกติ อย่างจิตใจของท่านทั้งหลายในขณะนี้เป็นจิตใจที่ปกติมีความสงบไม่มีอารมณ์ไม่มีอคติต่างๆมาครอบงำไม่มีความรักความชังความหลงความกลัวครอบงำอยู่ถ้าจิตเป็นจิตที่ว่างจากอคติแล้วเวลาจะพูดจะทำอะไรก็จะเป็นไปด้วยเหตุและผละเวลาพูดด้วยเหตุด้วยผลคนที่ฟังเขาก็สามารถรับได้ เพราะเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงแต่ถ้าเราพูดออกมาจากอารมณ์โกรธอารมณ์ที่อยากจะเอาชนะผู้อื่นพูดไปแทนที่จะคนที่เขาฟังแทนที่เขาจะเชื่อเขากลับมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่ อ, ต, อต้านขึ้นมาเพราะรู้ว่าเราไม่ได้พูดความจริงเราไม่ได้พูดตามหลักเหตุและผลเราพูดแบบมีอคติเอาเอาตัวตนเป็นเป็นที่ตั้งจะต้องชนะผู้อื่น อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเป็นสิริมงคลมีแต่ความสุขมีขว่ความเจริญแล้วเราต้องเจริญสติอย่างสม่าเสมอคือควรจะฝึกหัดเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยเวลาเราตื่นขึ้นมาปั๊บนี้ ขอให้เราตั้งสติไว้ก่อนให้ดูก่อนว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังจะไปทำอะไรแล้วก็แยกแยะดูว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าดีก็ทำไปถ้าไม่ดีก็ต้องระงับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเฝ้าดูกิริยาอาการของใจของกายของวาจาของเราไปตลอดทั้งวันเลย อย่าส่งใจเราไปสู่ที่อื่นถ้าเราคุมควบคุมดูแลความประพฤติทางกายทางวาจาของใจเราด้วยสติแล้วชีวิตของเราในวันนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามเพราะเปรียบเหมือนกับคนขับรถที่มีสติคนที่มีสติกับคนที่ไม่มีสตินั้นเวลาขับรถจะรู้เลยว่าขับไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีสติก็คือคนที่กินเหล้าเมาแล้วก็ไปขับรถ เวลาขับรถเมานวจะขับแบบสวิตสวัสขับแบบไม่มีความระมัดระวังไม่รู้จักว่าควรจะช้าหรือควรจะเร็วอย่างไรอย่างนี้ก็จะต้องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากับรถคันอื่นอย่างแน่นอนจันใดชีวิตของเราก็เช่นกันชีวิตของเราก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เราต้องขับต้องดูแลเราตื่นขึ้นมานี่เราก็เท่ากับสตาร์ทรถแล้ว เวลาเราลุกขึ้นจากเตียงนอนเรานี่เท่ากับเราขับรถออกออกไปละเดินละเดินไปทำนู่นไปทำนี่เราก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เดินไปชนนู่นชนนี่เหยียบนู่นอยูบนี่เขาได้บางคนเวลาเติมขึ้นมาก็พรวดพราดลุกขึ้นมารีบทำนู่นทำนี่โดยที่ไม่ใช่สติก็ทาบางทีก็ไปเตะนู่นทาสิ่งนั้นหงไปเหยียบสิ่งนั้นทำสิ่ ง, ง น, งงงนงงั้นเสียได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการไม่มีสตินั่นเองดังนั้นเราควรที่จะฝึกสติไว้ให้ดีเมื่อมีสติแล้วการจะทำอะไรทั้งหลายมันจะไม่ผิดพลาดเพราะเรารู้ทุกย่างก้าวว่าเรากำลังจะเดินไปตรงไหนจะเหยียบอะไรที่อยู่ข้างหน้าเรารู้ปะ่ะนี่เป็นลักษณะของการมีสติเราควรที่จะมีสติอยู่กับตัวเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทาอะไร ในในอิเลียบทใดจะนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่งอยู่ยืนก็รู้ว่ากําลังยืนอยู่เดินก็รู้ว่ากําลังเดินอยู่นอนก็รู้ว่ากําลังนอนอยู่กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้รู้กับการกระทํานั้นๆเช่นกําลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่กับการรับประทานอาหารอยากรับประทานไปแล้วก็ใจก็นึกคิดเรื่องอื่นไปบางทีก้างติดคอก็ไม่รู้สึกตัว ถ้าเป็นเช่นนั้นบางคนถึงกับสำลักข้าวตายไปก็มีเพราะกินไปแล้วก็คุยไปหัวเราะไปข้าวที่มันอยู่ในปากก็เลยไปไปสำลักติดคอทําให้หายใจไม่ออกตายไปได้ทันทีนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองแต่ถ้ามีสติแล้วทุกคําที่เราเอาอาหารเข้าไปในปาก จะต้องมีสติรู้อยู่กับอาหารจะต้องรู้อยู่ขณะที่เรากำลังเคี้ยวอยู่และรู้ถึงขณะที่เรากำลังกลืนเข้าไปนี่ก็คือลักษณะของการมีสติถ้ามีสติอย่างนี้แล้วเราจะสามารถควบคุมชีวิตของเราให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีที่งามได้เวลาที่ใจจะคิดอะไรไม่ดีเราก็หักห้ามเสียและงับเสียสอนตัวเราเองว่าความคิดไม่ดีนั้นนำไปสู่ โทษนำไปสู่ภัยนำนำไปสู่ความเสื่อมเสียถ้าเราไม่ต้องการความเสื่อมเสียเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องฝืนเราต้องระ ง, งับความคิดที่ไม่ดีนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดไม่ดีนั้นเป็นตัวกำหนดชักจูงเราไปเพราะเมื่อปล่อยให้ชักจูงไปแล้วก็จะพาเราไปสู่เรื่องราวปัญหาต่างๆไม่มีที่สิ้นสุด ปัญหาของคนเราทุกคนนี้ก็อยู่ที่ว่ามีสติมากน้อยหรือไม่เท่านั้นเองคนที่มีสติมากปัญหาก็น้อยคนที่มีสติน้อยปัญหาก็มากอย่างเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยที่ไม่มีสติยับยั้งอยู่ทั้งท้งที่ตัวเองก็มีมีพออยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าใจยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่ ช่นมีสามีอยู่คนแล้วมีภรรยาอยู่คนแล้วแต่ดันไปเห็นอีกคนหนึ่งก็เกิดไปเกิดชอบขึ้นมาอยากจะได้เขามาครอบครองถ้าไม่มีสติคอยยับยั้งบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีกระทำไปแล้วเป็นการกระทำบาปทำไปแล้วจะนำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดความสุขที่ได้จากการกระทำอันนั้นอาจจะมีบ้างแต่ชั่วประเดียวประเดาชั่ขณะหนึ่ง แต่ความทุกข์ที่จะตามมามันจะวุ่นวายเมื่อคนหนึ่งมีสองภรรยาหรือมีสองสามีย่อมมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนดังที่เราได้ยินได้ฟังอย่างเสมอมาตลอดถึงเรื่องปัญหาต่างๆของคนเราไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดประเวณีก็ตามหรือการใบโกหกหลอกลวงต้มตุนผู้อื่นก็ตาม หรือไปรักทรัพไปรักขโมยหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเกิดจากการกระทำที่ขาดสติไม่มีสติยับยั้งชั่งใจคอยดึงใจไว้คอยบอกใจไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่งถ้าทำไปแล้วจะมีแต่โทษมีแต่ปัญหาตามมาไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีสติแล้วก็จะยับยั้งได้เมื่อยับยั้งแล้วการกระทาที่ สร้างปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่เกิดตามมาเรื่องเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถทำกันได้แต่ที่ไม่ทำกันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะสองสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือการไม่รู้ไม่รู้โทษของการกระทำความบาป ก, การกระทำบาปทั้งหลายสองรู้แต่ไม่มีสติคือเมื่อใจคิดอะไรขึ้นมา ก็ไม่สามารถยับยั้งเบรกใจได้เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรกขับไปถึงสี่แยกไฟแดงเห็นไฟแดงก็รู้อยู่ว่าต้องหยุดแต่รถไม่มีเบรกจะทำยังไงเมื่อรถมันไม่มีเบรกมันก็ต้องฝ่าไฟแดงไปเมื่อมันฝ่าไฟแดงไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีรถสวนทางรถวิ่งมาจากอี ก, อ, กอีกด้านหนึ่งก็ต้องไปชนกันที่สี่แยกนั้นนี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับ ใจของคนเราที่ไม่มีสตินั่นเองคนไม่มีสติก็เปลี่ยนเหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรกนั้นไม่มีใครกล้าจะขับออกไปกลางถนนไปเพราะรู้ว่าถ้าขับไปก็จะต้องมีเรื่องแน่นอนฉะนั้นคนที่ไม่มีสติก็ฉันนั้นเวลากินเหล้าเมาแล้วก็อย่าออกไปนอกบ้านนอนเสียขึ้นเตียงนอนเสียก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากินแล้วถ้ายังอยู่นอกบ้านอยู่ ก็เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้หรือเวลาจะขับรถกลับบ้านก็ต้องมีอุบัติเหตุไปชนกับรถคันนั้นรถคันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่แหละก็คือเรื่องของการไม่มีสติสติจึงเป็นเป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรจะให้ความสนใจดูแลเพราะคุณงามความดีทั้งหลายไม่ว่าทำก็ดีศีลก็ดี สมาธิปัญญาหรือการอด้นก็ดีร่วนมีสติเป็นผู้รเริ่มเป็นผู้นําพาไปถ้าเราดูใจเราเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเรามีสติเรารู้อยู่ว่าความโกรธนี้ไม่ดีเราไม่ควรที่จะโกรธเราควรที่จะให้อภัยสัพเพสัตตาเอาเวราหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถอด นี่ก็หมายถึงว่าเราอย่าไปมีเวรกับสัตว์ทั้งหลายกับคนทั้งหลายนั่นเองเมื่อเรามีสติเราก็นึกถึงธรรมบทนี้ได้เราก็จะระ ง, งับความโกรธได้นี่ก็เท่ากับมีอภัยทานแล้เท่ากับว่าได้ให้ทานแล้วไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อข้าวของมาให้ของคนนั้นของคนนี้เขาเพียงแต่เราให้อภัยเขาก็ก็เหมือนกับเราได้ให้ทานแล้วเราให้อภัยนั่นไง การให้อภัยนี้มีคุณมีประโยชน์ทั้งผู้ที่ถูกเราโกรธและตัวผู้โกรธเองผู้ที่ถูกเราโกรธเขาก็ไม่ต้องมารับเพราะจากคาพูดที่ดุดนันของเราหรือจากการกระทำอันดุดร้ายของเราก็ผ่านเขาก็ไม่ต้องมารับอันนั้นไปส่วนเราผู้เกิดความโกรธก็จะสบายใจก็จะเย็นใจเพราะเมื่อเราละนับความโกรธแล้ว ความร้อนรนใจที่เกิดจากความโกรธนั้นก็หายไปกลับมาก็คือความเย็นความสงบของใจนี่ก็เกิดจากการที่เรามีสติดูใจเราหรือว่าเมื่อเราเกิดความโกรธแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขาหรือไปจ้างให้คนอื่นเข้ามาฆ่าเขาเพราะนายคนนี้เขาสร้างความโกรธแค้นให้กับเรามากเขาไม่ควรที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไป นี่ก็เป็นความพิษของความโกรธที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าสมสอนให้เรามีเมตตาสัพเพสัตตาอนีกาหอนโตสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเราไปฆ่าเขานี้ก็เท่ากับการเป็นเบียดเบียนกันก็เป็นการขาดความเมตตาถ้าเรามีสติรู้ว่าเป็นการกระทาที่เลวร้ายที่โหดร้ายแล้วเราระ ง, งับได้ เราก็เท่ากับว่ามีศีลขึ้นมาการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นข้อข้อศีลข้อหนึง่งในศีลห้าและศีลทั้งหลายรวมไปถึงศีลสองิบเจ็ดข้อก็มีศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนกันถ้าเป็นพระภิกษุถ้าไปฆ่าผู้อื่นหรือให้ให้ผู้อื่นจ้างให้ผู้อื่นเขาฆ่าหรือวานหรือสั่งให้ผู้อื่นเขาฆ่าก็ดีโทษหนักมากเขาเรียกว่าเป็นโทษประราชิก คือขาดจากความเป็นภาพเิกสุทันทีปิดทางสวรรค์นิพพานนี่แหละแต่ถ้ามีสติระลึกรู้อยู่เวลาใจเกิดความโกรธขึ้นมาเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นเขาอาจจะทำอะไรให้เราไม่พอใจด้วยความตั้งใจก็กตามหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราต้องมีสติระงับความโกรธอนั้นให้ได้เราต้องมีเมตตา เราต้องไม่ไปกระทาอะไรกับเขาทั้งสิ้นคิดเสียว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไปกรแลอกกันในอดีตเราอาจจะเคยไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใยสร้างความเครียดแค้นให้กับเขามาเมื่อเขามีโอกาสเขาก็เลยขอขอทวงคืนทวงหนี้เก่าคืนก็คิดเสียว่าเราใช่หนี้เขาไป และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาทำไปแล้วหรือสิ่งที่เขาพูดไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็ผ่านไปแต่แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็ต้องเอาสตินี้มาเบรกใจให้ได้เบรกใจว่าอย่าไปโกรธโกรธไม่ได้ทำอย่างนี้เราก็มีศีลแล้ว ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีเบรกคือสติเรายังไม่ดีพอเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเรายังเบรกใจเราไม่ได้มันยังไหลไปสู่วาจาไหลไปสู่การกระทำทางกายเราก็ต้องฝึกสร้างตั้งสติกันบ่อยๆวิธีที่จะทำให้เรามีสติมากที่สุดก็คือเราควรจะหาที่ไหนที่สงบมุมไหนมุมหนึ่งในบ้านของเราปิดประตูห้องแล้วก็ นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตากำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ดีเรื่องราวในอนาคตก็ดีเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ที่อยู่ที่ใกล้หรือที่ไกลก็ตามในขณะนั้นขอให้เราลืมเรื่องราวต่างๆทั้งสิ้นในโลกนี้ขอให้มีสติอยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ถูกจิตไว อย่างใดอย่างหนึง่งถ้าเราชอบพุโทโธเราก็กำหนดรู้อยู่กับคาว่าพุโทโธถ้าเราชอบดูลมหายใจเข้าออกก็ใช้ลมหายใจเข้าออกงันกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราชอบใช้ทั้งพุโทโธและลมหายใจค tamam. วบคู่กันไปเราก็บริกรรมคำว่าพุทธเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็ว่าโทรหรือจะว่าหายใจเข้าก็ว่าพุทธโธ หายใจออกก็ว่าพุโทโธกากับไปก็ได้วิธีที่จะควบคุมจิตใจนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกันพระพุทธองค์ทร ง, ทรงสแสดงกรรมาฐานไว้ถึง4ี่สิบชนิดด้วยกันแต่เวลาจะใช้นั้นเราควรจะใช้เพียงชนิดเดียวชนิดไหนที่ถูกกับจริตของเราเราทำแล้วเรารู้สึกสบายใจจิตของเราเกาะอยู่กับอารมณ์นั้นเราก็ให้ก็ให้ใช้อารมณ์นั้นเป็นเครื่อง ผูกใจไว้ให้มีสติคือกอรารระลึกรู้ให้รู้อยู่กับอารมณ์นั้นๆอยู่ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเราก็จะมีกําลังที่จะเบรกใจให้ให้หยุดได้ถ้าเราทํามากๆแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความคิดปุ่มเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้เวลามีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็ระงับได้ เวลามีอารมณ์โลภขึ้นมาก็ระงับได้เวลามีอารมณ์หลงขึ้นมาก็จะระงับได้เพราะเรามีเบรกเหมือนกับรถยนต์เวลาเราขับรถไปถ้าเรารู้ว่ารถเบรกของรถเรานี้เริ่มไม่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วไม่สามารถหยุดตามที่เราต้องการได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเข้าอู่ต้องทํานํารถเข้าไปในอู่และให้ช่างเขาซ่อมถ้าเบรกเก่ามันหมดสภาพแล้วก็ต้อง เปลี่ยนเบรกใหม่เข้ามาชั้นใดสติก็เป็นเหมือนกับเบรกของใจเราถ้าเราไม่พัฒนาให้มีขึ้นไม่ให้มีเบรกใจเกิดขึ้นแล้วชีวิตของเราจะต้องวุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าอารมณ์ของเรานั้นมีหลากหลายและส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ที่จะฉุดลากเราไปในทางที่ไม่ดีจะฉุดลากให้เราไปกระทาในสิ่งที่เสื่อมเสียในสิ่งที่เราทุกคนไม่ปรารถนากันแต่เราหักห้าม ใจของเราไม่ได้เพราะเราขาดเบรกนั่นเองดังนั้นจึงมีการการนั่งสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าสมาธินี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ปัญญาความรู้ของเรานนั้นเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาในขณะนี้พวกเราทุกคนก็รู้อยู่ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรที่ดีและอะไรที่ชั่วแต่เรายังไม่สามารถละความชั่วทั้งหลายได้และทําความดีทั้งหลายได้ก็เป็นเพราะว่าความรู้ที่เรารู้อยู่นี้ขาดการสนับสนุนคือใจของเราไม่มีกําลังที่จะกระทําในสิ่งที่ดีและละในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองขาดกําลังธาปัญญานี้เปรียบเหมือนกับมีด ที่คมแต่คนที่จะใช้มีดนั้นไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก็ไม่สามารถที่จะเอามีดอันนั้นไปตัดไม้ให้ขาดได้เพราะไม่มีแรงแต่ถ้าเราเอาคนที่ไม่มีเลี้ยวแรงนี้มารับประตานอาหารมากินข้าวมาพักผ่อนหลับนอนมาออกกำลังกายฝึกให้มีกำลังเสียก่อนเมื่อมีกาลังแล้วทีนี้เราเอามีดนี้ไปฟันกับอะไรมันก็จะขาดทันทีเลย เพราะว่าคนฝันนั้นมีกําลังนั่นเองเมตตะคงปัญญาที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่เราเกิดมาเราอยู่ในเมืองพุทธเราได้ยินได้ฟังเรื่อยเสมอว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญแต่ทําไมเราจรึงไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันได้นั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเราไม่มีกําลังนั่นเองขาดกําลัง ที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายทั้งหลายขาดกําลังที่จะทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะว่าเราไม่ได้สร้างพลังให้เกิดขึ้นมาพลังนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราฝึกทําสมาธิกันดังนั้นการฝึกทําสมาธิกันอย่างสม่ําเสมอทุกวันอย่างน้อยวันนึงต้องมีแล้วสองเวลาเช้าและเย็นอย่างน้อยควรได้สักวันละชั่วโมงจะดี คือในเบื้องต้นเราอาจจะไหว้พระสวดมนต์ไปเสียก่อนการไหว้พระสวดมนต์นี้ก็เป็นการทําสมาธิในเบื้องต้นทําให้ใจเราลืมเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมามเมื่อเราสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าใจเราค่อยสบายค่อยว่างค่อยเบาเราก็หยุดส่วนแล้วเราก็มานั่งกําหนดดู ลมหายใจก็ออกหรือบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธควบดูด้วยสติแล้วเลิกรู้อยู่กับแต่อยู่กับอารมณ์นั้นๆอยู่กับลมก็ถ้าจะใช้ลมก็ให้อยู่กับลม